มีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งแสดงถึงพุทธานุภาพอันนาพิสวง์แห่งพระผู้มีพระภาคเจ้านั่นคือเรื่องนางสุปวาสาโกเลียธิดาซึ่งมีคันอยู่ถึงเจ็ปีและเมื่อจะคลอดบุตรก็ปวดคันอยู่ตั้งเจ็วันได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสนางคุนครางด้วยความเจ็บปวดอยู่ตลอดเวลา แต่เนื่องจากนางมีศรัทธาเลื่อมใสมั่นคงในพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อรู้สึกว่าชีวิตของตัวอยู่ในระหว่างอันตรายเหมือนศิลาซึ่งแขวนอยู่ด้วยเส้นได้เส้นน้อยๆจึงขอร้องสามีให้ไปเฝ้าพระตถาคตเจ้าและกราบพระมงคลบาทแล้วให้ทูลว่าข้าแต่พระมหาสมณะบัดนี้ นางสุปวาสาโกลิยทิดามีคันมาเจดปีและปวดคันอยู่เจ็ดวันแล้วนางได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสอันตรายแห่งชีวิตอาจมาถึงนางในไม่ช้านางระลึก ถ, ถึงพระผู้มีพระภาคและขอถวายบังคมพระบาทด้วยเสียงกล้าวสามีของนางได้ไปเฝ้าพระพุทธองค์และกราบทูลให้ทรงทราบตามคําของนางนั้น พระผู้เป็นนาถะของโลกทรงทราบแล้วจึงตรัสว่าขอนางสุ ป, ปวาสาโกริยธิดาจงมีความสุขหาโรคไม่ได้เถิดทันทีที่พระจอมุนีตรัสจบลงบุตรของนางก็คลอดได้โดยง่ายเมื่อสามีกลับมาถึงบ้านนางสุ ป, ปวาสาก็คลอดเรียบร้อยแล้วทั้งบุตร และมารดาปลอดภัยเกษมสำราญดีนางและสามีต่างชื่นชมสมนัตในพระพุทธานุภาพกล่าวออกมาพร้อมๆกันว่าพระพุทธเจ้ามีพระคุณหาประมาณนี้ได้พระธรรมมีคุณหาประมาณมีได้และพระสงฆ์มีคุณหาประมาณมีได้ วันต่อมานางให้สามีไปอาราธนาพระพุทธองค์พร้อมด้วยภิกสุสงเพื่อรับพัฒ ต, ตาหารเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ณเคหะของนางพอดีเวลานั้นพระพุทธองค์ได้รับอาราธนาของอุบาสกผู้หนึ่งซึ่งเป็นอุ ป, ปถาของพระมหาโมคลานะไว้เสียแล้วพระตถาคตจึงให้พระมหาโมคลานะเข้าเฝ้า ส่งเล่าเรื่องให้ฟังแล้วตรัสว่าดูก่อนโมคลานะเธอพึงไปยังบ้านของอุบาศกผู้นั้นแล้วกล่าวขอเลื่อนการนิมนต์ของเขาไปสัปดาห์หน้าเขาจะขัดข้องหรือไม่ถ้าเขาขัดข้องก็จะได้ไม่ต้องรับอาราธนาของนางสุปวาสาอัครสาวกเบื้องซ้ายรับพุทธบัญชาเนื้อเสียงกล้าว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 ข้าแต่พระคุณเจ้าถ้าท่านจะรับรองได้ว่าโภคกระซ์์ของข้าพเจ้าจะไม่เสื่อมสิ้นพินาศไปด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งนี้เป็นประการที่หนึ่งประการที่สองคือชีวิตของข้าพเจ้าจะไม่มีอันตรายเกิดขึ้นและประการที่สามคือศรัทธาของข้าพเจ้าจะไม่หมดคงมีอยู่อย่างเดิมถ้าพระคุณเจ้า สามารถเป็นผู้ประกันเหตุทั้งสมประการนี้ว่าจะไม่เกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าภายในเจ็วันนี้แล้วข้าพเจ้าก็ยินยอมพระมหาเถระผู้เลิศทางฤทธิ์นั่งสงบอยู่ครู่หนึ่งแล้วกล่าวว่าดูก่อนอุบาสกอาตมาเป็นปาติโพคัประกันให้ท่านได้สองประการคือขอรับรองว่าโพคัพ์ของท่าน จไม่เสื่อมและชีวิตของท่านจะไม่สิ้นไปหรือเป็นอันตรายใดๆภายในเจ็ดวันนี้ส่วนศรัทธาขอให้ท่านรับรองตัวท่านเองอาตมารับรองให้ไม่ได้อุบาสกผู้นั้นรับรองศรัทธาของตนและยินยอมเลื่อนการนิมนต์ของตนไปสัปดาห์หน้า พระาศาสดามีพระสงฆ์ขีนาศพเป็นบริวารเสด็จเสวยพัฒ ต, ตาหานณะบ้านของนางสุ ป, ปวาสาเป็นเวลาเจวันวันหนึ่งพระพุทธองค์ตรัสถามนางว่าสุ ป, ปวาสาเธออุ้มคันอยู่เจ็ดปีและปวดคันอยู่เจ็ดวันได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสอย่างนี้แล้วเธอยังจะปรารถนามีบุตรอีกหรือไม่ ข้าพระองค์ยังปรารถนามีได้อีกถึงเจดครั้งพระเจ้าข้านางสุปปวาสาตอบพระตถาคตเจ้าทรงเปล่งอุทานในเวลานั้นว่าสุปปวาสาเอย่ยมักจะเป็นอย่างนี้แหละสิ่งที่ไม่น่ายินดีมักจะปลอมมาในรูปที่น่ายินดีสิ่งที่ไม่น่ารักมักจะมาในรูปแห่งสิ่งที่น่ารักความทุกข์ มักจะมาในรูปแห่งความสุขเพราะดังนี้คนจึงประมาทมัวเมากันนักพระอานนล์กล่าวต่อไปว่าดูก่อนผู้เป็นพงพันุ์แห่งอริยะข้าพเจ้าขอย้อนกล่าวถึงพุทธานุภาพอีกสักเล็กน้อยเพื่อบรรเทาวความสงสัยของท่านท่านจะเห็นว่าอนุภาพของคนนั้นมักจะเป็นผลแห่งบารมีธรรม หรือคุณความดีที่สั่งสมอบรมมาก็พระศาสดาของเรานั้นเคยสละชีวิตเลือดเนื้อมามากหลายจุดมุ่งหมายก็เพื่อพระโพธิญาณอันประเสริฐพระพุทธานุภาพหรือลาบสการะที่หลั่งไหลนั้นเป็นเพียงผลพลอยได้เท่านั้นเองพระองค์เคยสละที่ไม่เพียงแต่แก่มนุษย์เท่านั้นท่สงสละให้แก่สัตว์ผู้หิวโหย ก็เคยทรงกระทำครั้งหนึ่งพระองค์เป็นหัวหน้าดาบทบำเพ็ญตบะอยู่บนภูเขาเวลาเย็นวันหนึ่งพระองค์ประทับรับลมเย็นอยู่ณชนะงอนผามองลงมาเบื้องล่างเห็นแม่เสือตัวหนึ่งเพิ่งคลอดลูกใหม่ยังออกจับเนื้อกินไม่ได้มันจึงหิวโหวยสุดประมาณกําลังงุ่นงานจะกินเนื้อลูกของมันดาบทเห็นดังนั้น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 ดูกรพราดาณกรุงสาวัตถีอีกเหมือนกันที่แสดงถึงพุทธจริยาอันประเสริฐอีกหลายเรื่องแต่ข้าพเจ้าขอนำมาเล่าสู่ท่านเพียงเรื่องเดียวก่อนคือเรื่องที่เกี่ยวกับนางจินจมานิกาเรื่องเป็นดังนี้เมื่อพระพุทธศาสนารุ่งโรจน์ชดนาการปานประหนึ่งพระอาทิตย์ทอแสงขับรัศมีแห่งหิงห้อยคือพาหิระละัทิอื่น ให้ด้อยลงนั้นพวกเดือฤทธีนิกนทั้งหลายต่างก็เสื่อมจากลาบสการะและความนับถือยังไม่เคยเป็นมาก่อนนักบวชเหล่านั้นจึงเที่ยวประกาศตามทางสามแพร่งสี่แพร่งและตามถนนอันเป็นที่สัญจรต่างๆว่าท่านผู้มีในตาทั้งหลายพระส ม, มณโคดมเป็นพระพุทธเจ้าอย่างไรเราทั้งหลายก็เป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกัน ให้ทานทำบุญแก่พระสมณโคดมมีผลมากอย่างไรให้แก่พวกเราก็มีผลมากอย่างนั้นท่านทั้งหลายจงให้แก่พวกเราเถิดเมื่อ น, นักบวชเหล่านั้นเที่ยวประกาศดูอย่างนี้ก็หาสามารถชักจูงคนให้เลื่อมใสตามต้องการไม่ซ้ำร้ายคนที่เคยเลื่อมใสและมีปัญญาพอสมควรก็เลิกเลื่อมใสคนที่ไม่เลื่อมใสอยู่แล้ว ก็ถึงกับเปลียดชังเอาเลยทีเดียวเป็นอันว่าวิธีนี้ของพวกดิรธีไม่ได้ผลพวกเขาประชุมกันปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรดีขณะนั้นมีนักบวชความคิดเฉียบแหลมคนหนึ่งกล่าวขึ้นว่าสหาหทั้งหลายอุบายนั้นมีมากหลายเมื่อไม่ได้ด้วยวิธีหนึ่งก็ควรใช้วิธีอื่นต่อไปเป็นคนไม่พ้จนปัญญา ธรรมดามีอยู่ว่าเมื่อประตูหนึ่งปิดลงอาจจะมีประตูอื่นพอที่จะเปิดได้ลองลองผักดู ก, ก่อนเถิดคือข้าพเจ้าระลววึกถึงสานุสิทธิ์คนหนึ่งของพวกเราเธอเป็นสตรีที่งามมากประดุษเทพอับสรถ้าได้อาศัยนางช่วยเหลือแผนการของพวกเราคงสำเร็จถือท่านทั้งหลายมีความเห็นอย่างไร พูดจบนักบวชทุกคนเห็นด้วยพอดีในขณะที่เขาประชุมรับกันอยู่นั้นนางจินจมานวิกาก็เข้ามาเพื่อเยี่ยมเยียนตามปกติอย่างที่เคยมานักบวชเหล่านั้นทำเป็นไม่สนใจเธอและไม่ไต่ถามอะไรๆนางรู้สึกประหลาดใจจึงกล่าวขึ้นว่าพระคุณเจ้าเมื่อข้าพเจ้ามาหาครั้งก่อนๆพระคุณเจ้า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 พวกเราถูกพระสมณโคดมเบียดเบียนอยู่ทำให้ด้อยทั้งลาบสการะและเกียรติคุณเธอไม่เจ็บร้อนแทนเราบ้างเลยหรือข้าแต่พระคุณเจ้าโบราณกล่าวไว้ว่าเมื่อยามเดือดร้อนย่อมเห็นใจมิตรและบริวารบัดนี้พระคุณเจ้าทั้งหลายเดือดร้อนอยู่ข้าพเจ้าเป็นทั้งมิตรและบริวารท่าไหนจะเฉยอยู่ได้ แต่ข้าพเจ้าเป็นผู้หญิงจะทำอย่างไรเล่าจึงจะช่วยแก้ปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนของพระคุณเจ้าทั้งหลายได้จงบอกมาเถิดข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติเพื่อความสุขความปลอดปโปร่งของพระคุณเจ้าดิเรกธีเหล่านั้นพอใจในคำของนางปริพาชิ ก, กายิ่งนักคนหนึ่งกล่าวขึ้นว่าดูก่อนน้องหญิง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 เหมือนหนอนเป็นอันตรายอย่างยิ่งสำหรับเนื้อจินจมานวิกาเออยเธอจงอาศัยความเป็นหญิงของเธอนั่นแลททำลายเกียรติยศอันรุ่งเรืองยิ่งของพระสมณะโคโดมให้ทลายลงนางจินจมานวิกากล่าวว่าข้าแต่พระกุญเจ้าถ้าอย่างนั้นไว้เป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าเองคงจะสำเร็จสมประสง แล้วนางก็ลากลับไป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 นางทำอยู่อย่างนี้ประมาณสองเดือนและทำอย่างสม่ำเสมอทุกวันครานี้เองด้วยอาการดังว่าจะปรงใจทำบุญเพราะเหลือเอือมเสิทธีเมื่อมีผู้หนึ่งในมหาชนทักถามขึ้นอีกในหนนั้นนางจึงกล่าวว่าท่านทั้งหลายไปเฝ้าพระาศาสดาทั้งเช้าและเย็นเคารพ บ, บูชาพระองค์อย่างสูง แม้พระราชาแห่งแคว้นโกศลผู้ทรงศักดิ์ก็เทอทูนพระองค์อย่างหาที่เสมอเหมือนม่ได้แต่ทั้งท่านทั้งหลายและพระราชาก็หาทราบไม่ว่าคนอันเป็นที่รักอย่างยิ่งของพระสมณโคดมนั้นคือใครนางพูดทิ้งไว้แค่นั้นแล้วก็ยิ้มอย่างเยาะโลกก็ใครเล่าเป็นที่รักอย่างยิ่งของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ท่านรู้หรือประชาชนสักถามสืบไปอีก ทำไมเราจะไม่รู้พระสมณะโคดมอภิรม์ชมชื่นด้วยผู้ใดทุกคืนผู้นั้นแหละเป็นที่รักอย่างยิ่งของพระองค์ท่านเอย๋ยธรรมดาบุรุษที่จะว่างเว้นจากสตรีเพศสำหรับเฉยชมนั้นจะทนอยู่ได้ชนไหนอุปมาเหมือนกาสรหรือจะว่างเว้นจากปรักคนที่รักกันย่อมไม่ว่างเว้นจากการเฉยชม หรือเหมือนพญาหงย่อมอภิรมต่อสะโบครณีดาบทดาประสินีย่อมไม่ว่างเว้นด้วยการเข้าชานเป็นกีฬาดูก่อนท่านผู้มืดบอดทั้งหลายกาพระสมณโคดมนั้นออกจากพระราชวังอันโออาเคยแวดล้อมด้วยสตรีเพศที่คอยแต่จะบำรุงบำเรอด้วยกามรถและบัดนี้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 และเมื่อพระพริลุนลังลุ ม, มาหาใหญ่หามรุ่งหามค่ำทำให้น้ำเจิงนองทุกบึงบางมัตฉาชาติเหล่านั้นจะพึงชื่นชมถึงแก่โลดขนองสักเพียงใดดูก่อนท่านผู้มืดบอดข้อนี้ฉันใดพระสมณะโคดมก็ฉันนั้นก็ท่านหรือเป็นที่รักอย่างยิ่งของพระมหาสมณะโคดม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 ว่าแล้วนางก็เดินเลยไปเพื่อให้น้ำคำดุดยาพิษที่วางไว้ออกฤทธิ์ของมันไปตามลำพังไม่รอคำถามของประชาชนอีก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 ในพระอนาคตังสยานแห่งศาสดาตนจึงคงยินข่าวลือนี้ด้วยดวงใจสงบดูก่อนพระดาข้าพเจ้าเองก็เดือดร้อนกระวนกระวายเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ใช่น้อยแต่ก็ระ ง, งับได้ด้วยพระพุทธพจน์ที่ตรัสปลอบว่าอาณ น, น์อย่าเดือดร้อนไปเลยผู้ที่จับคู่ปามุนทนพระจันทร์ย่อมจะประสบความเดือดร้อนเอง ด้วยเหตุสองอย่างคือมือของเขาย่อมสกปรกเปรอะเปื้อนและติดกลิ่นเหม็นประการหนึ่งและอีกประการหนึ่งเขาจะโทมนัสมากขึ้นเมื่อคู่ที่เขาปาขึ้นไปนั้นไม่สามารถทาให้มนทนพระจันทร์แปดเปื้อนมัวหมองลงได้แต่กลับตกลงมาให้ศีรษะและอวัยวะต่างๆของผู้นั้นสก ป, กปรกเปะเปื้อนเสีเองข้อนี้ฉันใด ผู้ใดพยายามใส่ความตถาคตก็ฉันนั้นดูก่อนพระดาในกรณีนี้ พระบรมศาสดาเป็นเหมือนนายตำรวจใหญ่ผู้ฉลาดในการจับผู้ร้ายเมื่อเห็นและรู้ราดเล่าว่าผู้ร้ายจะคข้าปล้บ้านก็หาได้จับในทันทีไม่คาดทนียกำลังของผู้ร้ายแล้วก็เตรียมกำลังตำรวจไว้จับให้ได้คาหนังคาเขาให้ผู้ร้ายไม่มีทางดิ้นรนหรือแก้ตัวประการใดเลยอีกสีเดือนต่อมา นางกินจมานวิกาได้นำเอาผ้าเก่าๆทบเป็นหลายชั้นใส่ไว้หน้าท้องแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแสดงอาการว่ามีท้องแก่ขึ้นตามลาดับลาดับพ อ, อย่างเข้าเดือนที่แปดที่เก้านางใช้ไม้คางโคทุบตามหลังมือหลังเท้าให้บวมขึ้นเพื่อให้สมกับอาการของผู้มีคันแก่เต็มที่จวนจะคลอดเรื่องนี้ เกลียวกราวที่สุดในเมืองสาวัตถีในปีนั้นยกเว้นพระอริยาสาวกเสิแล้วมหาชนนอกนี้เชื่อสนิทว่านางตั้งคันกับพระาศาสดาแต่พระพุทธองค์ก็ยังคงเฉย อ, อยู่บังเอิญอริยาสาวกมีอยู่เป็นจำนวนมากจึงทำให้พุทธบริษัทในวัดเชตวันยังคงคับคัง่งทุกหนทุกแห่งโจ์จันกันเกลียวกราวถึงเรื่องนี้ ตามทางสามแพร่งสี่แพร่งในที่สาธารณสถานและสัญชาคารที่ประชุมต่างๆมีการถกเถียงและแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้มนุษย์ทั้งหลายได้แยกออกเป็นสองพวกพวกที่เชื่อว่าเป็นไปได้จริงก็ถอยสัตยาในพระศาสดา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 ข้าพเจ้ารู้สึกกลุ้มใจกระวนกระวายเพราะเรื่องนี้ขึ้นมาอีกหากจะกราบทูลพระศาสดาพระองค์ก็คงจะนิ่งเฉยอย่างเคยข้าพเจ้าจึงเดินออกจากเชตวานารามมุ่งไปทางทิศทักษิณณที่นั้นเป็นดงไม้สีเสียดอันร่มรื่นข้าพเจ้าต้องการอยู่ในที่สงบเพื่อระ ง, งับใจที่ฟุ่งซ่านอันเนื่องด้วยความห่วงใยพระศาสดา ผู้เป็นที่เคารพรักยิ่งของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเชื่อว่าพระาศาสดามิได้ทำกรรมอนนาบสีนั้นแต่จะห้ามปากคนมิให้พูดได้อย่างไรในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นผู้ใกล้ชิดอย่างยิ่งของพระองค์และบางครั้งเมื่อข้าพเจ้าออกบิณฑบาตในเวลาเช้าจะมีพรามหนุ่มบางคนและนักบวชพาหิละลัทธิเยะเย้ยถากถาง จะให้เก็บอายแต่ข้าพเจ้าก็พยายามอดกลั้นไม่แสดงอาการโกรธเคืองตามพระดำรัสของพระศาสดาท่านเอ่ยคนในโลกนี้ส่วนใหญ่พอใจแต่ในความวิบัติล่มจมของผู้อื่นถือเป็นอาหารปากอันโอชะเพื่อจะได้ไว้เคี้ยวเล่นในวงสมาคมเวลาว่างแม้เขาจะไม่ต้องการภาวะเช่นนั้น ถ้าเกิดกับตัวของเขาเองในขณะที่ข้าพเจ้ารำพึงอยู่นั้นมีเด็กหนุ่มตระกูลพราหม์สองคนเดินเข้ามาโดยไม่ทันเห็นข้าพเจ้าและแล้วก็นั่งพักณใต้ต้นไม้อีกต้นหนึ่งโดยหันหลังให้ข้าพเจ้าวาเสธะเด็กหนุ่มคนหนึ่งพูดขึ้นอากาศร้อนอบอ้าวเหลือเกินมาพักในป่าไม้สีเสียดนี่ค่อยสบายขึ้นหน่อย ถ้ารัตติยามาด้วยคงจะรื่นรมขึ้นอีกมากทีเดียวนามนั้นเขาคงหมายถึงคนรักของเขาคนกำลังมีคนรักใหม่ๆก็เป็นอย่างนี้เองเด็กหนุ่มอีกคนหนึ่งเพลยขึ้นเห็นอะไรไปที่ไหนก็คิดถึงแต่คนรักหายใจเข้าหายใจออกเป็นคนรักไปหมดก็ฉันยังหนุ่มแน่นมีกำลังสมบูรณ์และมีคู่รักน่ารักอย่างรัตติยา จะไม่ให้ชั้นไฝ่ฝันและพร่ำเพ้ออย่างไรอย่าว่าแต่เราเราเลยแม้แต่พระสมณโคดมพระรมศาสดาก็ยังมีนางจินจมาริกาไว้เฉยชมเออความจริงมันไม่น่าเป็นไปได้นะพารัตถาวาชะแต่มันก็เป็นไปแล้ว ข้าพเจ้าสะดุ้งขึ้นทั้งตัวอานิจจาไม่ว่าจะหลบหลีกไปมุมใดข้าพเจ้าเป็นได้ยินแต่ข่าวอันไม่น่าชื่นใจนี้ทั้งสิ้นแควนโกศลมหารัฐและแควนใกล้เคียงเวลานั้นอบอวลไปด้วยควันไฟคือข่าวลือเรื่องพระาศาสดาและนางจินจมานิกาข้าพเจ้าอึดอัดเป็นที่สุดอยากจะลุกขึ้นไปชี้แจงให้เด็กสองคนนั้น เข้าใจอย่างถูกต้องว่ากรรมอันหน้าบัตรสีนั้นพระาศาสดามิได้ทำก็พอดีได้ยินเสียงเด็กหนุ่มอีกคนหนึ่งพูดขึ้นว่าวาเสธเธอเชื่อหรือว่าพระสมณโคดมจะทรงกระทำเช่นนั้นจริงพยานหลักฐานออกแน่นหนาชัดเจนอย่างนั้น เธอยังไม่เชื่ออีกหืือภารักถวาชะผู้หญิงเขาเป็นไฟเสียหายและบอกออกมาต้งตงว่าพ่อของเด็กในท้องคือใครเหตุการณ์ที่เป็นมาตลอดระยะเวลา 6-7 เจดเดือนก่อนนี้ก็พอเป็นเครื่องพิสูจน์ได้นางจินจมานิกาเดินเข้าเดินออกอยู่ในวัดเชตวันไม่เท่าไหร่ก็ตั้งท้องใครๆก็เห็นแต่ฉันยังไม่เชื่อ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 ว่าพระสมณโคดมมิได้ทำกรรมอนนาบั ส, สีนั้นแต่ฉันก็ยังไม่เชื่อภารัตทวชะพูดอย่างหนักแน่นจนกว่านางจินจมานวิกาจะคลอดพยานปากเอกจริงๆคือเด็กที่จะคลอดออกมาอาใช่นางจินจมานวิกาไม่ดอกและแม้เด็กคลอดแล้วถ้าไม่มีเข้าหน้าแห่งพระตถาคตเจ้าเลยฉันก็จะยังเชื่อไม่สนิท ฉันเคยเห็นแม่ปริภาชิกาคนนี้เที่ยวไปเที่ยวมาอยู่ตามวัดของพวกเดรริทีนิครนบ่อยไปนางอาจจะตั้งครรนกับใครสักคนหนึ่งก็ได้และจำพวกเดรริทีนิครนเหล่านั้นแล้วพวกนั้นก็เป็นศัตรูของพระพุทธเจ้าด้วยทั้งๆ ท, ที่พระองค์ไม่เคยเป็นศัตรูกับใครเธอเคยได้ยินไม่ใช่หรือ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 เชื่อคนง่ายเธอก็คงรู้ฉันมั่นใจว่าคนเชื่อง่ายเป็นคนงมงายแต่คนที่ไม่ยอมเชื่ออะไรเสียเลยก็เป็นคนงมงายเหมือนกันและดูเหมือนจะงมงายกว่าคนเชื่อง่ายสิอีกฉันไม่ได้ว่าอะไรพารัตทวาระพูดตัดบทเป็นแต่ฉันบอกว่าให้คอยดูกันไปจนถึงที่สุดเท่านั้นและแล้วเด็กหนุ่มทั้งสอง